แสดงอเทศยาวพูดจนเจ็บคอไปหมดสัตว์เราอื่นไม่พึงรู้ทั่วถึงธรรมะของเราก็พึงเป็นความลำบากของเราองั้นแล้วก็เป็นความเดือดร้อนแก่เราเดือดร้อนสิอย่นะั้นะนะทั้งปวดทั้งเมื่อยทั้งเจ็บคอเป็นต้นมันก็เดือดร้อนอยู่แล้วเขาก็ไม่รู้เรื่องด้วยนะไม่รู้เรื่องมันก็ยากอย่า ง, งนะมันก็ทุกข์อย่างนั้นดูก่อนพรหมเพราะฉะนั้นคาถาที่อัศจรรย์น้อยเนี่ยนะซึ่งเราไม่เคยได้สดับไม่เคยได้ฟังมาก่อนก็แจ่มแจ้งดังนี้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 มันก็เหมือนกับว่าจะไปขายสินค้าบางอย่างเนี่ยที่มันดีด้วยละเอียดด้วยไปขายให้คนจนเนี่ยนะคนยากคนที่ไม่ต้องการเน่ยหมายมันจะขายยากขนาดไหนเพางั้นะผูดซะเหนื่อยหมดเลยเพราะงั้นพรมก็ไม่ละะนะก็อาราธนาเป็นครั้งที่ที่ที่สองอาราธนาเป็นครั้งที่สามเพราะฉะนั้นดูก่อนพิสูจทั้งหลายแม้ครั้งที่สามแล้ะเท้ามาหาพรมกราบทูลพระผู้มีพระภาคอรหันต์ัสสะมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีว่า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 พรหมเหล่านั้นที่อาราธนาให้พระพุทธเจ้าแสดงธรรมเน่ยนะท่า น, นเราเห็นพระพรหมล้วก็เจริญแบบนี้ก็ได้เนี่ยนะเอาไว้เจริญเพราะท่านเหล่านี้เป็นพระริยเจ้ากันเหตุผลหนึ่งพระองค์รู้เลยนะว่าเพราะพรหมอาราธนานนะเพราะว่าผู้ที่มาอาราธนาไม่ใช่ธรรมดาเรียกว่าพระเจ้าของสัตว์ทั้งหลายอ่างนั้นเสร็จแล้วพระองค์ก็อาศัยความกรุณาที่มีต่อมูสัตว์คือพระองค์เนี่ยเพระาะแรงแห่งกรุณารู้อยู่แล้วว่ามูสัตว์เนี่ยทุกข์มาก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 มรณะความที่เขาทุ่มเทมากมายขนาดนี้ไหลไปสู่ชราและมรณะแต่เขาไม่รู้หนทางเหมือนอย่างที่พระองค์บอกว่าเขาตกไปในเหวถ้าเราไม่ฉุดเขาแล้วใครจะฉุดเนี่ยนะถ้าเขาตกลงไปในหลม่มคือกามคุณทั้งหลายถ้าเราไม่เตือนสติดึงเขาออกมาแล้วใครจะดึงถ้าเขาถูกลูกศอนคือตันหาเป็นต้นเสียดแทงลูกศอนคื อ, อวิชาเป็นต้นเสียดแทงถ้าเราไม่ช่วยเขาแล้วใครจะช่วย นะก็อาศัยกรุณาเนนะมหากรุณาสมาบัติยานที่พระองค์เจริญเห็นความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนความเร่าร้อนเนี่ยนะของสัพพะสตว์ทั้งหลายก็ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักโุทั้งหลายนะพระองค์ก็ตรวจดูอัธยาศัยของสัพสัตว์ทั้งหลายเลยนะสัตว์ทั้งหลายที่มีเจเนตมีอัธยาศัยอนุสัยอธิมุตเป็นอย่างไรอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอ่อนหรือแก่กล้า เรียกว่าใช้พุทธจักสุหรือจักสุของพระพุทธเจ้าเรียกว่าอินเริยะโปรปริยติยานและอาศยานุสยายานตรวจดูว่าภิกษุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีเมื่อตรวจดูโลกด้วยพุทธจักสุคือด้วยอาศยานุสยายานอินเริยะโปรปริยติยานก็ทรงเห็นหมูสัตว์นะเห็นหมูสัตว์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 หรือว่ามีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยก็แบ่งเลยนะว่าไอ้พวกบรรลุไม่ได้คือกลุ่มไหนกิเลสเหมือนธุลีในดวงตามากอินทรีก็อ่อนอาการก็เลวรู้แจ้งก็ยากเป็นพวกอาภัพแล้วก็ไม่เคยเห็นโทษในวัตตะอะไรเลยเนี่ยนะทุกอย่างหน้าเพลิดเพลินหน้ารื่นรมไปหมดเนี่ยนะพวกนี้บรรลุไม่ได้ครับผัวส่วนพวกที่พอจะบรรลุได้คือพวกที่ มีทุลีคือกิเลสในดวงตาน้อยมีอินทรีย์แก่กล้ามีอาการดีซ้อนให้รู้ได้ง่ายเป็นพวกพสกษัตริย์เป็นผู้ควรจะบรรลุได้และเป็นผู้ที่มีปกติเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยพระองค์ก็จําแนกแยกกลุ่มของสรพสัตเปรียบเหมือนในกออุบลกอบัวเหลืองหรือกอบัวขาวดอกอุบลดอกบัว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 มูสัตว์ที่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีตรวจดูด้วยพุทธจักสุทรงเห็นแล้วก็ฉันนั้นเหมือนกันบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุน้อยบางพวกมีกิเลสเพียงดังทุลีในจักสุมากบางพวกมีอินทรีย์แก่กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการซรามบางพวกพึงให้รู้แจ้งได้โดยง่ายบางพวกให้รู้แจ้งได้ยาก บางพวกเป็นพระ菩萨บางพวกเป็นอภ菩萨บางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยนะเรียกว่าจำแนกแยกแยะ ก, กลุ่มที่พอจะบรรลุได้นี่นะ อ, อธิบายในอัตถกาถาเพิ่มเติมทบทวนโดยลำดับเนี่ยนะว่ า, อาตอนที่พระองค์เนี่ยนะประทับนั่งอยู่ที่โพธิบาลังอขออภัยในในสัปดาห์ที่ ที่8ที่พระองค์ประทับอยู่ที่ อ, อชาชปาระนิคโครดหรือที่ต้นไซที่พวกยังแพะชอบไปพักกันน่นะพระองค์ก็คิดว่าอริยสัจจะทำทั้งสเนี่ยนะเป็นธรรมที่ลึกซึ้งไม่ใช่เป็นของตื้นตื้นเป็นของเห็นได้ยากไม่ใช่เห็นง่ายๆเป็นธรรมที่รู้ตามได้ยากไม่ไม่ใช่ว่าจะรู้ตามกันง่าย เป็นธรรมที่สงบระงับดับวตัตฏะเป็นธรรมที่ประณีตไม่เร้าร้อนมันธรรมที่เห็นได้ยากลึกซึ้งรู้ตามได้ยากหมายถึงโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมไม่ใช่เป็นสิ่งที่คาดคะเนยังลงด้วยการตรึกหรือคาดคะเนเท่านั้นไม่ใช่กะกะกะกะเอาว่าอย่างนั้นมัน้งอย่างงี้มั้งแม้ม้กระทั่งเรื่องในโลกนี้เรายังกะไม่ถูกเลยนะจะกล่าวไปใหญ่ถึงกะเรื่องของคําสอนเรามันเป็นธรรมะที่ละเอียด เป็นธรรมที่บัณฑิตที่ปฏิบัติอยู่ในมัชฌิมาปฏิปทาก็รู้ได้ผู้ที่ปฏิบัติอย่างถูกต้องบัณฑิตผู้ปฏิบัติอย่างถูกต้องะนะก็สามารถที่จะรู้ได้บัณฑิตคือพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าพระปเจกับพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีศรัทธาสามารถที่จะปฏิบัติตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าได้แต่ว่ามูสัต์นี่สิน Allez, над, like, เนี่ยนะอารยะรามาอารยะรามาเนี topping, ่ย ก็คือเช่นอะไรรามานะอะไรนะรามาเนี่ยแปลเช่นโรงหนังจะมีรามาใช่โรงหนังจะมีอยู่คำหนึ่งคือรามาเช่นรามาอะไรบ้างนะมีคําว่ารามารามาตัวนั้นประมือนกับอารามอ่ะนะแปลว่ามันยินดีมันน่าเพลิดเพลินเข้าไปแล้วมีความสุขอย่างเดียวเนี่ยนะมันมูส่าทั้งหลายเนี่ยติดในกา ม, มคุณหรูปสวยเสียงเพราะกลิน่นหอมรสอร่อยสัมผัสที่ตัวเองปรารถนาเรียกว่าอารยา สัตว์ทั้งหลายเนี่ยผัว พ, พันด้วยอํานาจวิปริตวิจิตของตันหาร้อยแปดผัวพันในตันหาแมาแบ่งเป็นร้อยแปดแปดกลุ่มเนี่ยนะเพื่อจะไปเพลิดเพ ล, นลินในรูปนะตันหาเป็นร้อยกลุ่มไปเพลิดเพลินในเสียงตันหาเป็นร้อยกลุ่มไปเพลิดเพลินในรสในโพธาะและในธรรมมรมทั้งหลายปกตินี่เขาเพลิดเพลินกันอย่างนั้น เรียกว่ามูสัตว์ทั้งหลายมีอะไรเป็นที่มายินดียินดีแล้วในอะไรติดข้องแล้วในอะไรเบิกบานใจแล้วด้วยอะไรเขาเรียกว่าอายัยะสำมุทิตาบันเทิงอะนะมุติตาเนี่ยนะมุทิตาไปในกามมคุณห้ายินดีในกามคุณห้าสัตว์ทั้งหลายยินดีแล้วด้วยอะไรในกาออะไรในตันหาเมเหล่านี้เป็นผู้เบิกบานกระสันติดข้องอยู่ในสังสารวัตเปรียบเหมือนอะไร เหมือนพระราชาสเสด็จประพาสพระราชุทยานอันสมบูรณ์ด้วยลุกชาติที่เต็มไปด้วยดอกและผล น, นดอกผลเป็นต้นซึ่งตกแต่งไว้เป็นอย่างดีพระองค์ทรงรื่นรมเบิกบานชื่นชมเพลิดเพลินด้วยสมบัตินั้นๆเที่ยวไม่รู้จักเบื่อจกักนายเนี่ยนะไม่มีพระประสงค์จ ะ, สะเสด็จ ก, กลับแม้นในตอนเย็นตอนเย็นอามานมาทูลได้เวลากลับแล้วพระเจ้าข้าก็ยังเพลินอย่นั่นแหละ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 พบใหม่เขาไม่เข้าใจม่าเขาไม่รู้ในนาสังขารเป็นปัจจัยจึงมีปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณจึงเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนาสลายยตนาเป็นปัจจัยจึงมีภาษาภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเนี่ยยากที่จะรู้นะเหตุรู้เหตุรู้ผลรู้ความเป็นไปความไหลเชื่อมโยงในวัตตะทั้งหลาย